พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศ ธ, ธรรมกถาพุทธจริตอ่ น, นะพุทธจริตก็คือพุทธความประพฤติในอดีตของพระองค์ น, นะของอดีตพระชินทรพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาถึงโดยสืบเสืบกันมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระพุทธวงศ์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยพระปุเพนิวาสานุสติยานคือใช้ปุเพนิวาสานุสติยานเป็นเหตุให้แสดงคมภีร์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 ฤดูศาสตร์แล้วก็เหมือนดอกปริชตกะสูงร้อยยอดออกดอกบานสะพั่งทั่วต้นถ้าพระรูปพระรูปประกายของพระองค์เนี่ยนะมีอยู่ที่ใดเราฟังคำย่อๆว่าเกี่ยวกับสรีรักคุณเนี่ยนะย่อๆก็คือมหาปุริสลักษณะส2บสองอนุพยัญชนะแปดสิบพระรสมีหนึ่งวาหสีอันนี้ถ้าจะจำแบบย่อว่าพระพุทธลักษณะของพระองค์เป็นอย่างนี้รูปประกายของพระองค์เป็นอย่างนี้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 คืออะไรก็ตามที่เป็นข้อเปรียบเทียบหรือคล้ายหรือละไมเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้เหมือนแท้หรอกแต่ก็ถ้าดูดูยิ่งใหญ่เนี่ยนะเหมือนดอกปริชตะกะหรือต้นปริชตะกะต้นทองหลางที่สูงร้อยยอดแล้วก็ออกดอกบานงามทั่วต้นไปหมดเลยภาษาริบุตรเนี่ยเห็นพระพุทธลักษณะ น, นะเห็นพระพุทธสรีระที่ประดับด้วย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 แล้วจึงทําจีวรเฉียงบ่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประคองอันเฉลีที่รุ่งเรืองด้วยสิบนิ้วประชมกันเรียกว่าทาสท่าสะนาท่าสะนาขะสมุทานเนี่ยนะสิบนิ้วสิบนิ้ออันรุ่งเรืองประชมกันเสมอด้วยดอกบัวตูมเกิดในน้ำํำว่ายสวยนะเมื่อไรเหมือนดอกบัวตูมเป็นดอกบัวที่ไม่มีมณฑินไม่เหมือนบัวเฉาอนะไร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 อันนี้เกิดจากอัจชาสยานุสนธิอย่างที่บอกว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบปริวิตตกแห่งใจของพิสูรรูปนั้นด้วยพระหฤทัยจึงทรงเรียกพิสูทั้งหลายมาตรัสว่าภิสษุทั้งหลายข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในพระธรรมมวินัยนี้ไม่รู้ตกอยู่ในอวิชชาพึงสำคัญสัตุศาสตร์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพึงแสไปด้วยใจที่มีปัญหาเป็นอธิปไตยหมายว่าฟังคาสอนของพระพุทธเจ้า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 ส่วนอย่างที่ 3, ทสเทศนาในชั้นต้นขึ้นโดยธรรมใดเทศนาชั้นสูงมาโดยพระสูตรเหล่าใดโดยสมควรแก่ธรรมนั้นหรือโดยคัดคา้านยถานุสนธิเพิ่งทราบด้วยอํานาจสูตรเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าญาฐานุสนธิเรียกว่าตอนต้นขึ้นต้นด้วยศีลธรรมกลางควรต่อด้วยอะไรตอนปลายควรตอนท้ายที่สุดควรจบลงด้วยอะไรเป็นต้นเป็นการเชื่อมเพราะว่าหนึ่งสูตรเนี่ยมีเรียว่ามีหลายประเด็นแล้วแต่ละประเด็นมาเชื่อมกันได้อย่างไร การเชื่อมบางอย่างเชื่อมโดยโดยอะไรโดยยถานุสนธิครั้งแรกยกตัวอย่างมิจฉาทิฐิตอนหลังเอาสัมมาทิฏฐิมาค้านหรือตอนแรกกล่าวถึงผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็ตอนจบแล้วเข้าปฏิบัติตามทาอย่างไรเป็นการเชื่อมเนื้อหานั่นเองอภษ า, ารีบุตรเป็นผู้ถามเนี่ยนะผู้ถาม ภาษารียบบทเนี่ยปัญญายะบรมิปัตโตถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีอยางด้วยปัญญาคือท่านมีปัญญาเนี่ยในการสร้างบารมีจนได้สําเร็จเป็นพระอัครสาวกภาษารีบุตรได้ถามปุชติปุชติขึ้นชื่อว่าปุจชาการสอบถามมีอยู่หอย่างด้วยกันหนึ่งอธิฐาโชตนาปุชชาสองทิฏฐสังสันทนาปุชชาสามวิมติเฉทนาปุชชาสี่อนุมติปุชชาสุดท้ายกติสุกรรมยตาปุชชา ที่ี้ในคำถามห้าประเภทอย่างห้าประเภทเหล่านี้ภาษาปุจฉาของพระเถระเนี่ยเป็นปุจฉาอะไรในห้าอย่างนะตอบว่าเหตุที่พระพุทธวงศ์นี้ไม่ใช่วิสัยของพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้สร้างสมบุญยะสมพานมาหนึ่งอสงไขยมาสองอสงไขกยกำไรแสนกับใช่ไนมะไม่ใช่วิสัยของพระประเจกพระพุทธเจ้า และมิใช่วิสัยของพระอัคราสาวกทั้งสองผู้สร้างสมสมภารมาตลอดอสงไขยกำไรแสนกับคือพระประเจงสองอสงไขยภะษารีบุตรเป็นต้นนี้หนึ่งอสงไขยหรือพระมหาสาวกที่เหลือผู้สั่งสมบุญยสมภารมาแสนกับพันคำพีพุทธวงศ์นั้นจึงเป็นวิสัยของพระสัพพันยูพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นคาถามของระษารีบุตร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 เราจะสละชีวิตถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็นอนตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่พยากรณ์ไม่ลุ ก, กว่างัน้นอันนี้เรียกว่าพี่นิหารก็เลยอยากรู้จริงๆว่าพระองค์ตั้งความคิดแบบนี้เมื่อไหร่ภาษาเรียบวรก็เกลยกล่าวว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นยอดแห่งนรชนอภินิหารของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรเหตุการณ์ตอนที่พระองค์นอนตั้งความปรารถนาสละชีวิตเป็นพุทธบูชานี่เป็นอย่างไรเนอะกามหิกาเลในการเช่นไรปฏิตา ปฏิตาเนี่ยปรารถนาแล้วหวังแล้วพระทิรทูลถามว่าพระองค์ทรงทำการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถาวะการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งว่าอย่างไงตั้งว่าเราเป็นผู้ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราเป็นผู้พ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข <IF> ้ามด้วย เราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเป็นต้นนั่นเองพรงั้น เ, เขาแปลไม่ดีนะตรัสรู้เป็นพระผู้ตรัสรู้พึงพน้นเป็นพระผู้พน้นอันนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น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 แต่ละอย่างเนี่ยทาเมื่ อ, อไหรทําอย่างไรทําที่ไหนบ้างที่มาของคำภีจริยาปิฎกเป็นต้นเพราะเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าแสดงทั้งพุทธวงศ์และจริยาปิฎกเนี่ยนะพุทธวงศด้วยจริยาปิฎกด้วยทีนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปรมัภิปรมีปรมัภิปรมีทั้งทั้งสิบบารมีเนี่ยนะทั้งฐานะประมัภิปรมีศีลปรมภิปรมี เนคขมภะ p a r a m a t t h a p ปัญญาปรม a m a t t h a p a ะวิริยะปรมั m a t t h a แล้วก็ขันติปรม m a t t รม p a สัจจะปรม a m a t t h มีอธิฐานะปรมั m a t t ม a p a r เมตตา p a r a m a t t h a p r แล้วก็สุดท้ายอุเบกขาปร r รม a t t h มีตามลำดับว่าท่านก็ยกตัวอย่างมาว่าจริงๆแล้วบารมีสิบอุปปารมีสิบร a r a m a t t h a ม a r สบรวมบารมีสามสิบทัศน์นั้น อัตภาพชีวิตของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญทานนบา ร, รมีจริงๆแล้วนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่ากี่ชาติต่อกี่ชาติที่บำเพ็ญทานนบา ร, รมีมาไม่ใช่ว่าชาติที่แล้วเพิ่งทําบุญมาชาติเดียวไม่ใช่ทําบุญมาอย่างนาาเนี้ยมากมายเนี่ยนะผ่านมาไม่รู้กี่ล้อกี่โกดกี่โกด ก, ก, กับเมือง น, นั้นเป็นโกดกลับเลยนะที่จริงโกดกับยังไม่ถึงอสงไข่นะไม่ถึงอสงไข่เพราะพระองค์สร้างมาม า, มากเหลือเกินแต่ยกตัวอย่างให้ฟังในสะสะบัณฑิตชาดก เรื่องในกลับนี้ว่าทานบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ทำการเสียสละชีวิตเพื่อปรหิตประโยชน์สละชีวิตของพระองค์เพื่อประโยชน์แก่พรามที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าพักขายอุปคตังทิสวาส ก, กัตตานังปริจจชิงทานีนณะเมสมนัติเอซาเมทานบารมีเราเห็นภิกษุคือพระอินเนี่ยนะ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 กระต่ายนี่เอาหญ้าตัดหญ้าไปให้คนอื่นเขาก็มีใครเอาไงเอาเอางี้ดีกว่าสละร่างกายของเรานี่แหละให้เป็นทานทําไงก็เลยถ้าบอกว่าถ้าพราหมมามาขออาหารเราจะสละให้เราพราหมขาเขาก็มาจริงพอพรามณ์มาบอกว่าพรามท่านต้องการอาหารท่านก่อไฟขึ้นสิพรามก็เนรมิตกองไฟขึ้นพอมันกําลังทานาแรงๆท่านก็สล ะ, ะบัณฑิตหรือกระต่ายนี่ก็กระโดดลงไป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 บำเพ็ญศีละบารมีผู้ทำการเสียสละท่านตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่าเสลูหิวินิวิชันเตโกตะยันเตปิสติสติพิโภชะปุตเตนกุปปามิเอซ่าเมศีละบารมีถึงบุตรนายบ้านจะแทงละจะแทงด้วยห อ, อกแทงด้วยหลาตอกด้วยห อ, อกเราก็ไม่โกรธก็คือเป็นพญางูตัวใหญ่นะเขาก็ทำไง มันนั้นไปหาสัตว์ล่าสัตว์ไปเห็นน้าก็บอกอเอาน้าก็ไปทํากับข้าวก็ได้เนี่ยนะไปกลับแกล้มเล่าก็ได้ก็เลยทิมเข้าไปทั้งเป็นๆ น, นะทิมแล้วก็ร้อยหวายร้อยได้เนี่จะได้ช่วยกันหามเอาไปได้นั่นนะท่านก็เลยคิดว่าถึงจะแทงเราด้วยเหลาตอกด้วยหอกร้อยด้วยหวายเป็นต้นใจของเราก็ไม่โกรธเพราะถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็ตายหมดบางเนยะไม่ใช่ตายเฉพาะแค่นั้นนะที่เราว่าให้ตายหมดบางว่า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 เราสะละราชสมบัติใหญ่ที่อยู่ในเงื้อมือเหมือนก้อนเคละนีสะสละราชสมบัติมองเห็นสมบัติก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนน้ำลายก้อนหนึ่งเท่านั้นเองผู้เสียสะละไม่ติดข้องเลยเนี่ยนะเราเนี่ยสะละราชสมบัติโดยไม่ติดข้องเลยนี้เป็นเนคขมะบารมีของเราทันสะละเรียกว่ามีจิตใจคิดว่าราชสมบัติไม่ต่างอะไรจากก้อนน้ำลายก้อนหนึ่งเท่านั้นเองสามารถที่จะจากได้ มองเห็นภพสามเหมือนกับเรือนจําเท่านั้นเองเพราะมีอะไรบ้างที่ออกไม่ได้นะนะสวัสดีมองเห็นภพสามเหมือนเรือนจําคนที่อยู่ในเรือนจําก็มองเห็นราชสมบัติเท่ากับก้อนน้าลายที่อมอยู่ในปากเท่านั้นก็เลยคายทิ้งได้อย่างไม่ลําบากอะไรส่วนบา ร, รมีข้อที่สี่คือปัญญาบา ร, รมีว่าอัตภาพของพระโพธิสัตว์ผู้ทรงบําเพ็ญปัญญาบา ร, รมีนั้นในครั้งเป็นมโหสถบัณฑิตเป็นต้น นะชาที่บำเพ็ญปัญญาก็นับไม่ถ้วนยกตัวอย่างในสัตตพัตตะบันดิตที่พระองค์บำเพ็ญปัญญาบารมีผู้แสดงงูที่อยู่ในถุงหนังว่าปัญญยะวิจินันโตหัง้งบรมมังโมเจยทุขาปัญญยะเมสมนติเอสาเมปัญญาบารมีเมื่อเราพิจารณาเฟ้นด้วยปัญญาก็เปลื้องทุกข์ของพรามได้ผู้เสมอเราด้วยปัญญาไม่มีนี้ เป็นปัญญาบารมีของเราเนี่ยนะก็คือพรามเขาจะตายอยู่แล้วถ้าเข้าบ้านก็ตายถ้านอนค้างคืนในป่าก็ตายเสียอกเสียใจมากทำยังไงบอกว่าถ้าเข้าบ้านแม่บ้านของเขาเนี่ยคบชูเพันก็จะวางแผนให้ถูกฆ่าทิ้งถ้าหากว่านอนอยู่ในป่าก็ต้องล้วงเข้าไปในถุงหนังแล้วก็เอาอาหารมาก็ถูกงู ก, กัดตายทํทำไง